หาปัจจุปันนานาคตาบานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลหนึ 108. อนุโนโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกําลังดับวจีสังขารของบุคคนนั้นก็จะดับใช่ไหมพิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคนใดจกดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหม วิสัชนาในอุปาทขศนแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอัศสะปัตสสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญัตต ภ, ภูมิวัจจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งลมอัศสะปัตสสะวัจจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับ และกายสังขารก็กำลังดับอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกำลังดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดจกดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคคณาแห่งจิต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 วจีสังขารของบุคคลใดกำลังดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขณะแห่งปัจจิมจิตที่มีทั้งวิตกกระวิจารวัจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจกดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักดับในพังค์ณะแห่งวิตตกระวิจารของบุคคลนอกนี้วัจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและจิตตาสังขารก็จักดับปฏิโลมปุต จิตตสังขารของบุคคลใดจักดับัจีทั้งขานของบุคคล น, นั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิตัชนาะในอุปาทัคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังค ข, ขณะแห่งจิตซึ่งเวนจากวิตตกระวิจารบุคคลผู้เข้าในรสสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่วจีทั้งขานไม่ใช่กําลังดับ ในพังค์ข้าขนาแห่งวิตกและวิจารจีตัดตั้งขานของบุคคลเนั้นจักดับและวิจีตั้งขานก็กําลังดับอนุโลมโอกาส110อนุโลมปุจฉากายตั้งขาน ใ, ในภูมิใดกําลังดับและอนุโลมปุกโคลกาส111อนุโลมปุจฉากายยตั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับ ว จ, จีทั้งขาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาะในพังคขคณะแห่งลงมอาสาสัพปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาและตติยชากายสังขาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่วัจีทั้งขาไม่ใช่จักดับในพังคขคณะแห่งลมอาสาสปัสสาสสะของบุคคลผู้เข้าปฐมชาลีและบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิ กายสังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและวจีทั้งขานก็จักดับปฏิรมปุจฉาวัาจีทั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิตัตชนาในอุปาทัคณาแห่งลมอาศาสา ป, ปัสาสะาของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิในพังคัณะแห่งจิต ถึงเว้นจากลมอสาสะปัสอาสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดดับแต่กายสังขารไม่ใช่กําลังดับในพังค ข, ขณะแห่งลมอสาสะปัสอาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิ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 ในอุปาทขคณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอาศาสะปัสาสะสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่กายสังขงารไม่ใช่กําลังดับในพังคขณะแห่งลมอาศาสะปัสสะสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายสังขารก็กําลังดับ1นึอนุโลมปุชชา วจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับจิตตาสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาในพังค์ฆาณาแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกกระวิจารณ์วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักดับในพังคขฆาณาแห่งวิตกกระวิจารณ์ของบุคคลนอกนี้วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่จิตตสังขารก็จกดับ ปฏิโรมปุจฉ่าจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับวัจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นกำลังดับใช่ไหมวิตัชนาในอุปาทขคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคะขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตตกะวิจารจิตตสังขารของบุคคลเนั้นในภูมินั้นจักดับแต่วัจีสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งวิตตกกวิจารจิตตสังขาร บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและวัจจีทั้งขานก็กําลังดับปัจจณีกับบุคคลหนึอนุโลมปุจฉากายสังขานของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับวัจีทั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจตชนาในอุปาทัณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขัตแห่งจิตซึ่งเว้นจากกร ม, มัสสาสะปัสสาสะ บุคคลผู้เข้านิโรสสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอาสัญญัตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่วจีทั้งขาไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขฆาณาแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกระวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกระวิจารณปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกระวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น กายทังขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและวจีทั้งขานก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาวจีทั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่จักดับกายทั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉากายทั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตตาั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในพังคข้าขนาแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอาศะปัดอาศะบุคคลผู้เข้าหนีโรดสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอัศจรรยสัตตภูมิกายตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่จิตตั้งขาไม่ใช่จักไม่ดับในพังค์ข้าขนาแห่งปัจจิมจิตกายตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและจิตตั้งขานก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุชชาจิตตั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ และพิจัชนาใช่หนึอนุโลมปุจฉาว่าจีตังขาของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตตังขาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักตับใช่ไหมวิจัรนาในอุ ป, ปาทขศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังค์ขณะแห่งจิตซึ่งเป็นจากวิตตกและวิจารบุคคลผู้เข้านิโรธทัศมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอนัตตยะตตภูมิ วจีตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่จิตต์ั้งขานไม่ใช่จากไม่ดับในพังพข้คณาแห่งป จ, จิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารวจีตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและจิตตั้งขานก็ไม่ใช่จากดับปฏปิโรมปุจช า, จ, ชาจิตตั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่จากดับวจีตั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิตัชชาในพังขคณาแห่งปัญจ <Santo> ปชิมจิตที่มีทั้งวิตกกระวิจารณ์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่วัจจีสังขารไม่ใช่ไม่กําลังดับในพังคขณะแห่งปัชิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจารณ์จิตตสังขารของบุคคลนั้นไม่ใช่จักดับและวัจจีสังขารก็ไม่ใช่กําลังดั บ, ดบปัจจณีกโอกาส1บหอนุรมปุจฉากายสังขารในภูมิใดไม่ใช่กําลังดั บ, ดบละ ปัจจณีกระปุกคารโอการ์ดอสิบอนุรมปุจรฉากายทั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับวจีทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขศนาแห่งลมอสสาสะปัสสาสะ ข, ของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิ ในพังค ข, าขา้าณาแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมภาสาสะปัสสาสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้อบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิกายตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่วัจจีตั้งขานก็ไม่ใช่จากไม่ดับในพังค์ขาคณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตตกระวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตตกระวิจารณ์ ปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดหนึ่งเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นในอุปาทคณาแห่งลมัอาสะปัจอาศะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาตและตะติยชาตในปังคขณาแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมัอาสะปัจอาสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้เข้าจะตุติยชาตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ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 แต่กายสังขารม่ใช่จากไม่ดับในพังค ข, ขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกระวิจาร์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกระวิจาร์ปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกระวิจาร์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดหนเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นในอุปาทัศนาแห่งล ม, มัสสาสักปัตสาสะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาและตะติยชา ในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากโลมาสาสะปัสสาสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้เข้าจะตุทะชาและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาัญญยตตภูมิวจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและกายทั้งขานก็ไม่ใช่กำลังดับอนุโลมปุจฉากายทั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับจิตต์ั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมพิจารนา ในอุปาทัคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขคณะแห่งจิตซึงเว้นจากลมอาศะปัสสะกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กาลังดับแต่จิตต์สังขารไม่ใช่จากไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กาลังดับแต่จิตต์สังขารก็ไม่ใช่จากดับ ปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในปมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่1นึอนุโลมปุจฉาว่าจิตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับจิตต์สังขารของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนา ใน plains, no ulations, ุปาทัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในพังคข้านาแห่งจิตตึ่งเว้นจากวิตตกกวิจารวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่จิตต่สังขารไม่ใช่จากไม่ดับในพังค์ข้าขนาแห่งปัฏิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตตกกวิจารบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและจิตแตสังขารก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุจฉา จิตแต่สังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขณะแห่งปัจจิมจิตที่มีทั้งวิตตกวิจารจิตแต่สังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่วจีสังขารไม่ใช่ไม่กำลังดับในพังคะขณะแห่งปัญจมัจจิตที่ไม่มีทั้งวิตตกรวิจาร บุคคลผู้บัตรอยู่ในอาสัญาตตภูมิจิตแต่ทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและวจีทั้งขางก็ไม่ใช่กำลังดับ 6. อตีตานาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล1น8รออนุโลมปุจฉากายทั้งขางของบุคคลใดเคยดับวจีทั้งขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหม วิจัชนาในพังค์ฆาคนาแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกละวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกละวิจารณ์ปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกละวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในองเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นกายทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่วจีทั้งขานไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้กายทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและวจีทั้งขานก็จักดับ ปฏิโลมปุชชาวจีทั้งขางของบุคคลใดจักดับละวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชากายทั้งขางของบุคคลใดเคยดับจิตแตั้งขางของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคข้าขณะแห่งปัจฉิมจิตกายทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่จิตแตั้งขางไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้กายทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและจิตตังขางก็จะดับปฏิโลมปุจฉาจิตแต่ทังขางของบุคคลใดจะดับและวิจัชนาใช่1นึอนุโลมปุจฉาเพราะจีทังขางของบุคคลใดเคยดับจิตแตังขางของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังข้าณาแห่งปัจฉิมจิต ประจีสังขาของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแตจบชช่จิตตั้งขาไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ประจีสั้งขาของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและจิตตั้งขาก็จักดับปฏิลโลมปุชชาจิตตั้งขาของบุคคลใดจักดับละพิจัรนาใช่อนุโลมโอกาสหนึ่งอยี่สินุโลมปุชชากายสังขาในภูมิใดเคยดับละ อนุลมฺปุคโลก12า121ึ่งรอนุลมฺปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับวัจจีสังขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัตชนาะในพังค้าขนาแห่งปัจฉิมจิตในการมาวจรภูมิบุคคลผู้เข้าทุติยชาและตะติยชากายสังขางของบุคคลเหล่านั้นในชาณนั้นเคยดับแต่วัจจีสั้งขารไม่ใช่จักดับ บุคคลผู้เข้าปฐมฌานบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิกายทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแล้ววิจีทังขางก็จักดับปฏิยมปุชชาวิจีสังขางของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายทั้งขางของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ใน ร, รู ป, ปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิวิจีสังขางของบุคคลเหล่านั้น ในภูมินั้นจักดับแต่กายสังขารไม่เคยดับบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้ปฏิอยู่ในกามาวจรภูมิวจีทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายทั้งขางก็เคยดับอนุโลมปุจฉากายทั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดาเคยดับจิตตั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัตชนาในพังข้าณาแห่งปัจฉิมจิตในกามาวจรภูมิ กายทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่จิตต่ั้งขางไม่ใช่จากดับบุคคลผู้เข้าปฐมฌานทุติยฌานและตติยฌานและบุคคลนอกนี้ผู้ประอยู่ในกามาวจรภูมิกายทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและจิตต่ั้งขางก็จากดับปฏิโลมปุชฌาจิตต่ทั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดจากดับกายทั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้เข้าจะตุติยชาและบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิจิตต่ทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่กายทั้งขางไม่เคยดับบุคคลผู้เข้าปฐมชาตทุติยชาติตติยชาตและบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิจิตต่ั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายทั้งขางก็เคยดับ122อนุโลมปุตชา วจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคะขณะแห่งปฏิมจิตจในภูมิที่มีทั้งวิตกกระวิจารว่าจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักดับในภูมิที่มีทั้งวิตกกระวิจารณ์ของบุคคลนอกนี้ วัจีสังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและจิตตาังขารก็จักดับปฏิโลมปุจฉาจิตตาังขานของบุคคลใดในภูมิใดจักดับวัจีทังขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจชะนาในภูมิที่ไม่มีทั้งวิตตกและวิจารณจิตตาั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับแต่วจีทั้งขารไม่เคยดับ ในภูมิที่มีทั้งวิตตกระวิจารจิตตั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและวจิตทั้งขางก็เคยดับปัจจณิก บ, บุคคลหนึอยยี่มอนุลมุจฉากายทั้งขางของบุคคลใดไม่เคยดับวจีทั้งขางของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัรนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาวาจีตทั้งขางของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ กายตั้งขางของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิัตชนะเคยดับอนุโลมปุจฉากายตั้งขางของบุคคลใดไม่เคยดับจิตตั้งขงคค า, า, า, ตต ง, ข ง, า, างของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัตชนะไม่มีปฏิโลมปุจฉาจิตตั้งขางของบุคคลใดไม่ใช่จักดับกายตั้งขางของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัตชนะเคยดับ 124อนุโลมปุจฉาเวจีตั้งขานของบุคคลใดไม่เคยดับจิตต่ั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับมีไหมวิจาชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาจิตต่ตั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่จากดับปวจีสังขานของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจาชนาเคยดับปัจจณีกัโอกาส125ออนุโลมปุจฉา กายทั้งขาในภูมิใดไม่เคยดับละปัจจนีกับปุกคคโลกา126ออนุโลมปุจฉากายทั้งขาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับปาจีทั้งขาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปปาวจรภูมิ กายทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในปุมินั้นไม่เคยดับแต่ปจีทั้งฐาไม่ใช่จักไม่ดับในพังฆาณะแห่งปัชิมจิตที่มีทั้งวิตกกระวิจารในรูปาวจรและอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้พร้อมเพรียงโดยปชิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจารปัจชิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น บุคคลผู้เข้าจตุตฌาณและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญตตภูมิกายทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่วจีทั้งขางก็ไม่จักดับปฏิโลมปุจฉาวาจีทั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับกายทั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาในพันฆาขณะแห่งปัจฉิมจิตในการมาวจรภูมิ บุคคลผู้เข้าทุติยชาตและตติยชาตวจีทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่กายทั้งขา ม, มิใช่ไม่เคยดับในพังค้าขนาแห่งปัจจิมจิตรมีทั้งวิตกกระวิจาร์ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจาร ปชิมจิตที่ ม, มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจะตุตจชาและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาตตภูมิว จ, จีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและกลายทั้งขานก็ไม่เคยดับอนุโลมปุจฉากายทั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับจิตต่ั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้เข้าจะตุติชาญได้บุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิกายทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่จิตแต่ังขางไม่ใช่จากไม่ดับในพังคขณาแห่งปัจฉิมจิตในรูปปาวจรและอรูปปาวจรภูมิบุคคลผู้บัตรอยู่ในอาจาญย์สัตตภูมิกายทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและจิตแต่ังขารก็ไม่ใช่จากดับ ปฏิโลมปุชชาจิต hey, ตังขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกัก <zum gives> ดับกายั้งขานของบุคคลนั้นในภูมิน <số> ั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังขคณะแห่งบัจฉิมจิตในการมาวจรภูมิจิตตฐานฐานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่กายั้งขานไม่ใช่ไม่เคยดับในพังคข้าณาแห่งบัจฉิมจิตในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ บุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญาสัตตภูมิจิตต์ั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและกายทั้งขานก็ไม่เคยดับ127อนุโลมปุจฉาว่จีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับจิตต์ังขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัตชนาในภูมิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารว่าจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับ แต่จิตตสังขารไม่ใช่จากไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตในภูมิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุชชาจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม วิจัชนาในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตภูมิที่ไม่มีทั้งวิตกระวิจารจิตต่สังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ว่าจีสังขารก็ไม่ใช่ไม่เคยดับในพังข้ณะแห่งปัจฉิมจิตในภูมิที่ไม่มีทั้งวิตกะวิจารบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและว่าจีสังขารก็ไม่เคยดับ นิโรธวานจบ